8ปาปาติโมกุเทสกะอัชเชสนาธิว่าได้การอาราธนาผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงเป็นต้นเรื่องภิสูชาวเมืองโจทนาวัตถุไม่รู้จักอุโบสถข้อ155ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรุงราชครืตามพระประสงค์แล้วได้เสด็จจาริกไปทางเมืองโจทนาวัตถุ สเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงเมืองโจทธนาวัตถุสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งมีภิกษุอยู่หลายรูปบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เทระเป็นผู้เขา่าไม่ฉลาดไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถหรือปาติโมหรือวิธีการยกปาติโมขึ้นแสดงสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าปาติโมกเป็นหน้าที่ของพระเทระ พระเถระของพวกเรารูปนี้เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทำรรอุโบสถหรือปาฏิโมกข์หรือวิธียกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุรูปใดเป็นผู้ฉลาดสามารถเราอนุญาตปาฏิโมกข์ให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปนั้น เรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จักอุโบสถสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกันหลายรูปล้วนเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดภิกษุเหล่านั้นไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทํำอุโบสถหรือปาติโมกหรือวิธีการยกปาติโมกขึ้นแสดงจึงอาราธนาพระเถระว่านิมนต์พระเถระยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับพระเถระนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงอาราธนาพระเทระรูปที่สองว่านิมนท์พระเทระยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้ท่านก็ตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงอาราธนาพระเทระรูปที่สามว่านิมนท์ท่านยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้ท่านก็ตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ ภิกษุเหล่านั้นได้อาราธนาจนถึงพระเทระผู้เป็นนวักาศในสงฆ์โดยอบายนั้นแหละว่าท่านจงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงเถิดแม้พระนวักาศนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่ากระผมยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงไม่ได้ครับภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น มีภิกษุอยู่ด้วยกันหลายรูปล้วนเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดภิกษุเหล่านั้นไม่รู้จักอุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถหรือปาฏิโมกข์หรือวิธียกปาฏิโมกข์เคลนแสดงจึงอาราธนาพระเทระว่านิมนท์พระเทราโยกปาฏิโมกข์เคลนแสดงเถิดขอรับพระเทระนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาฏิโมกข์เคลนแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงอาราธนาพระเทระรูปที่สองว่า นิมนทรพระเทระยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้พระเทระรูปที่สองนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงอาราธนาพระเทระรูปที่สามว่านิมนต์พระเทระยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดขอรับแม้พระเทระรูปที่สามก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเรายกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นได้อาราธนาจนถึงพระ ผู้เป็นนวกกะในสงฆ์โดยอุบายนั้นแหละว่าท่านจงยกปาติโมกขึ้นแสดงเถิดแม้พระนวกกะนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่ากระผมยกปาติโมกขึ้นแสดงไม่ได้ขอรับเรื่องส่งภิกษุไปเรียนปาติโมกพอจะกลับมาทันในเวลานั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้นด้วยสั่งว่าท่าน ท่านจงประเดียนปฏิโมกต์โดยยอ่อหรือโดยพิสดารมาเถิดต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าจะส่งภิกษุรูปไหนไปเนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพสส ร, ระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระบัญชาภิกษุผู้นวากาไปภิกษุนวากาทั้งหลายถูกภิกษุเทระบัญชาแล้วไม่ยอมไปภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทรางพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข่ถูกพระเทราบัญชาแล้วจะไม่ไปไม่ได้รูปใดไม่ไปต้องอาบัติทุกกฎ